ทีนี้รายละเอียดปลีกย่อยว่าท่านก็มีความดําเร็จขึ้นมาระหว่างการให้ลูกนั้นก็ไม่ใช่ว่าแบบงมงายหรือลุ่มหลงหมกมุ่นหยุดแต่เรื่องโพธิยานอย่างเดียวไม่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นอื่นๆเลยไม่ใช่พระเวสสันดรเป็นคนที่ฉลาดมากเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนที่คิดประโยชน์อย่างยิ่งอย่างเดียวคือไม่ใช่เป็นคนที่คิดแต่ประโยชน์สัมมาสัมโพธิญาณอย่างเดียวเป็นคนที่คิดประโยชน์คือสวรรค์ เป็นคนที่คิดประโยชน์ทั้งโลกนี้โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งมาให้อย่างนี้เป็นไปเพื่อโพธิญาณอย่างไรการทําอย่างนี้เป็นไปเพื่อสวรรค์อย่างไรและการบริจาคลูกไปเนี่ยนะตัวเองเนี่ยจะได้รับความสุขในตอนหลังอย่างไรท่านรู้เพราะลูกที่บริจาคไปเหมือนกับ น, นกต่อเนี่ยนะเหมือนกับ น, นกต่อเลยแหละอันหนึ่งอันหนึ่งก็คือการให้ลูกเป็นทานลูกจะได้ไปสบายสียทีไม่ต้องมาเดือดร้อนอยู่ในป่าแบบนี้ ทั้งยังไงก็ต้องอะไรนะปู่ก็ต้องเอาไปคืนอยู่แล้วว่างั้นแต่คือท่านเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมาก่าฟังเหตุผลดูขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งพระเวสสันดรผู้ทรงเป็นฐานนำบดีพระองค์ทรงเกิดความนำเท็ิข้อนี้ขึ้นมาว่าพราหมณ์ผู้นั้นขอสิ่งใดเมื่อเราให้สิ่งนั้นแก่เขาชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจที่ควรทำดังนี้อันนี้เป็นเป็นเหตุผลสมควรถูกต้องแล้วละ่ะ พระเวสสันดร น, นั้นทรงดมฤตอย่างนี้แล้วก็ทรงมอบโอรสธิดาและฉายาแก่พราหมณ์ผู้นั้นไปขอถวายพระพรพระเวสสันดร น, นั้นผู้เป็นทานบาบดีทรงมอบโอรสธิดาฉายาแก่พราหมณ์ไปก็ไม่ใช่เพราะทรงมีความรังเกียจเนี่ยนะแม่ลูกเลี้ไปซะเถอะไปให้ทนทนเนี่ยนะเราเกิดมาจองล้างจองพลานกันเทสไปเถอะลูกเอ้ยอย่ามาอยู่ด้วยกันเลยนะไม่ต้องพบต้องเห็นกันอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะฟ้องเลยไง หรือบางคนเขาบอกโอ้อยยาสะได้ก็ดีมีคนมาข อ, อารีบไปเลยเอาไปเลยเนี่ยนะไม่ต้องเอามาคูลคืนนะอย่างนั้นไม่ต้องไม่ได้มีความรังเกียจในใจไม่แต่นิดเดียวพระองค์มอบอุรสที่ดาชายาแก่พรามไปไม่ใช่เพราะไม่ทรงต้องการจะพบเห็นหน้าโอ้ยเบื่อขี้หน้าเต็มทีแล้วอย่างเงี้ยนะก็ไม่ใช่นะนะนึกถึงก็มีก็มีหนุ่มคนหนึ่งอนะเขาบอกว่าเขาก็แต่งงานตั้งอายุไม่มาก แต่งงานตั้งอายุไม่มากว่าแต่งงานก็ได้ลูกคนหนึ่งตอนหลังก็ไปเป็นทหารเกย์ากเป็นทหารเกณฑ์มากเลยนะไปเกณฑ์อ้อนวอนอะธิฐานขอให้จับได้ใบแดงขอให้จับได้ใบแดงจะได้โผลไปพ้นพ้นซะบ้างทันทีน่ะนะอยากจะหนีซะบ้างอะไรครับเนี่ยบางคนก็เป็นอย่างนั้นก็มีเพราะว่าไม่คือก็อออให้แบบนี้ไม่ใช่ว่าให้แบบไปใช้พ้นหน้าพ้นตาก็ไม่ใช่ <c oughs> พระองค์เนี่ยนะทรงมอบโอรสธิดาฉายาแก่พรามไปเพราะพระองค์ทรงดเริว่า บุตรและภรรยาของเรามีมากเกินไปเราไม่อาจจะเลี้ยงดูคนเหล่านั้นได้ก็หาไม่ไม่ใช่คนลูกมากะนะแบ่งให้คนอื่นช่วยเลี้ยงหน่อยเธอเนี่ยนะก็ไม่ใช่พระองค์มอบอรุรสที่ดาฉายาให้ไปพระทรงเอือมระอาว่าคิดว่าเป็นคนที่เราเกลียดอย่างนี้แล้วขจัดไปให้พ้นหน้าพ้นตาก็หาไม่ะนะถามว่าทําไมจึงให้ล่ะแต่ทว่า พระราชาเวสันดรทรงมอบโอรสทิดาฉายาผู้มีคุณอันช่างไม่ได้ซึ่งคุณธรรมของโอรสทิดาฉายานั้นน่ะเป็นคนที่เพียบพร้อมยอดเยี่ยมเป็ผู้เป็นที่รักที่ชอบใจเสมอด้วยชีวิตเนี่ยนะคือพระยาของท่านท่านก็รักเหมือนชีวิตของท่านนั่นแหละบุตรของท่านท่านก็รักเสมอด้วยชีวิตเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็ให้แก่พราหมณ์ไปเพราะเหตุแห่งพระสัพพัญยุตยาน เพราะพระองค์ทรงมีแก้วอันประเสริฐคือสัพพัญยุตยา น, นั่นแหละเป็นที่รักดังที่พระองค์ตรัสไว้ในจริยาปิดกวา่าณเมเทสาอุโภปุตตามัททีเทวีนัเทศยาสัพพัญยุตังปียังไม้หังตัสมาเปีย อ, อดาสหังไม่ใช่ว่าเราจะเกลียดลูกทั้งสองเนี่ยนะไม่เคยรังเกียดลูกทั้งสองอ่ะนะก็เหมือนกับแก้วตานั่นแหละ ไม่ใช่มัสสีเทวีเป็นที่เราเกลียดชังไม่เคยรังเกียจภรรยาเลยนะโดยมากเนี่ยนะสมัยก่อนในเขาเรียกภรรยา เ, าเขาเรียกว่าดูก่อนนางผู้ยังใจให้เจริญก็ใช้คำว่าพัตเทพัตเทกับแปลว่านางผู้ยังใจให้เจริญแปลว่าเห็นหน้าก็สบายใจแล้วว่างั้นแหละเพราะฉะนั้นนางมัสซีเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่รังเกียจเลยนะเป็นคนที่เรียกว่าเห็นแล้วก็สบายใจแล้วว่างั้นแต่ทั้งลูกและเมียนั้นก็ไม่ได้รักเสมอเท่ากับ สัพพัญยุตยานพระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเรารักกว่าลูกเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่ารักกว่าภรรยาเนี่ยนะเพราะภรรยารักเท่าชีวิตใช่ไหมสัพพัญยุตยานรักมากกว่าชีวิตเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าเพราะฉะนั้นเราจึงได้มอบบทตรภรรยาผู้เป็นที่รักให้แก่พรามไปเนี่ยนะลงทุนมากเลยนะความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ลงทุนสูงสุดจริงๆลงทุนอย่างชนิดที่เรียกว่า มหาศาลเนี่ยนะอย่าว่าเนื้อเลือดน้ำตาเลยให้หมดมีอะไรที่ท่านให้ไม่ได้ลงทุนด้วยโพกซัพย์ก็ลงทุนเต็มที่ลงทุนด้วยน้ำตาก็ลงทุนเต็มที่เนี่ยเพราะทําบุญเนี่ยท่านร้องให้มิรู้กี่ชาตแล้วก็เพราะการทําบุญของท่านก็ไม่รู้เสียเนื้อเสียเลือดเสียชีวิตไม่รู้ชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าก ว, ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่ว่าบุญนําให้เกิดในสวรรค์ท่านอยู่ในสวรรค์แป๊บเดียวก็ลงมาทําบุญต่ออีก เพืกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเป็นของง่ายขอถวายพระพรเพราะฉะนั้นพระราชาเวสันดรครั้นมอบโอรสธิดาและฉายาให้แล้วก็เสด็จเข้าไปใสยะคือว่าไปนอนในบรรณศาลาถึงให้นี่ก็ไม่ใช่ว่าแม้ใจนี่เห็นเห็นเป็นบุญเห็นเป็นอนิสงส์เห็นเป็นทุกอย่างแต่ความรักของพ่อก็ยังเป็นความรักของพ่อเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปในศาลาก็ เกิดความเศร้าโศกมีกำลังขึ้นแก่พระเวสสันดรเป็นทุกข์เพราะความอาลัยรักอย่างยิ่งนักใจของพระองค์ก็เร่าร้อนตอนนั้นมีตาเนี่ยแดงกล่ำเลยนะมีอยู่พรามเชี่ยนลูกต่อหน้า ต, ต่อตานี่เข้าไปในในบรรณาศาลาจะจับดาบขึ้นมาแล้วแหมยังก็เราไม่มีแรงนะแต่ก็ข่มใจได้ ผมใจว่าเอ้ยพระโพะโ ธ, ธิสัตว์ในอดีตเขาไม่เป็นอย่างนี้กันหรอกนะนะท่านก็นหักงน้าใจนะในที่สุดก็ชนะอชนะกิเลสในใจตอนที่พระองค์ใจเร่าร้อนมากเนะี่ยตอนที่เขาโบยเขาเคี่ยนเขาตีลูกต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะใจก็เร่าร้อนเขาบอกว่าจมูกนี่ไม่พอจะหายใจไม่พอที่จะระบายความร้อนอ่ะนะเรียกว่ามันมั น, ม, นมันร้อนระอุ ข, ขึ้นมาในใจต้องแบบใช้ปากช่วยหายใจอะ่ะมันร้อนแบบนั้นอ่ะนะ พระองค์ก็เลยปล่อยลมหายใจร้อนๆออกมาทางพระโอทคือปากพระอสุชนน้ำตากลายเป็นหยาดเลือดไหลออกไปทางดวงตาเรียกว่าตาท่านเนี่ยแดงกลับนะเส้นเลือดฝอยบางเส้นอาจจะแตกก็ได้เนี่ยนะก็เลยน้าตาเนี่ยไหลขอถวายพระพรพระราชาเวสัสนดรทรงมอบโอรสที่ดาและฉายาให้แก่พราหมณ์ไปด้วยความทุกข์อย่างนี้แล จริงๆท่านไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้จักเสียใจไม่อาไลอาวอไม่เสียดายไม่มีน้ำตาลังไรไม่เราท่านก็เป็นเหมือนกับมนุษย์คนอื่นๆทุกประการแต่พิเศษตรงที่ท่านตัดใจได้นะนะเรียกว่าให้บางอย่างก็ให้ทานทั้งน้ำตาได้แบบนะั้น แลพระองค์ดําริว่าทานบทหนทางของเราคือการให้ทานอย่าได้เสียหายไปเลยถึงจะรักทานใดก็ช่างเถอะ ก, ก็จําเป็นจะต้องให้ทานไม่อย่างนั้นก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อันนี้เป็นเหตุผลเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวส่วนตัวของพระโพธิสัตว์ที่จะได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปทีนี้เหตุผลอันอื่นอีกเนี่ยนะขอถวายพระพรยังมีอย่างอื่นอีก ท, ที่พระราชาพระเวสสันดรเล็งเห็นถึงอำนาจประโยชน์สองประการจึงทรงมอบโอรสธิดาทั้งสองแก่พราหมณ์ไปอำนาจประโยชน์สองประการอะไรบ้างพระองค์เล็งถึงอำนาจประโยชน์สองประการอย่างนี้ว่าทานบดคือทางแห่งการให้ทานหรือทานบารมีข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะไม่เสียหายไปอันนี้อันดับหนึ่ง เอกประการหนึ่งพระอัยกาคือปู่นะ น, นะพระเจ้าอะไรพระเจ้ากรุงสัญชยนะัยพระเจ้ากรุงสัญชัยเนี่ยจักทรงเปลื้องบททั้งสองของเราผู้เป็นทุกข์เพราะเหตุที่ต้องอยู่ป่านอนตามโคนไม้กินแต่ผลไม้นี้ให้พ้นไปเสียคือถ้าหากว่าให้ลูกเป็นทานไปเนี่ยนะยังไงลูกก็ นนกลับไปอยู่วังนั่นแหละพันการเท่ากับชูโชคมารับกลับเข้าวังเท่านั้นแหละท่านก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วค่าที่เป็นจริงก็คือชูโชกลับามารับกลับเข้าวังแต่ว่าแบบเป็นการรับแบบหู้ร้ายไปนหน่อยอะนะอขอถวายพระพรพระราชาเวสสันดรทรงทราบว่าใครๆไม่อาจจะใช้ลูกทั้งสองของเราให้เป็นทาสได้ ถ้าอียกาคือพระเจ้ากรุงสันชัยเนี่ยจะต้องไถ่ตัวลูกทั้งสองของเราเมื่อเป็นอย่างนี้แม้พวกเราก็จะมีอันได้พบกันก็วางแผนว่ายกเอาลูกเนี่แหละเป็นนกต่อเนี่ย เ, ยเป็นตัวเชื่อมต่อพระเจ้ากรุงสันชัยก็จะเห็นหน้าหลานเมื่อเห็นหน้าหลานก็จะคิดถึงลูกพระเจ้ากรุงสันชัยก็มารับเราเนี่ยออกจากป่ากกลับไปอยู่วังดังเดิมเนี่ยนะกระวบกระวบบ า, างมากไวห้หลายชั้นอย่างนั้น ขอถวายพระพรพระราชาเวสันดรเล็งเห็นถึงอำนาจประโยชน์สองประการเหล่านี้และจึงมอบโอรสธิดาทั้งสองแก่พราหม์ไปขอถวายพระพอรอีกอย่างหนึ่งพระราชาเวสันดรทรงทราบว่าพราหม์ผู้นี้เป็นคนแก่ชราสามกำลังใกล้จะแตกดับเกือบตายอยู่แล้วเนี่ยนะก็คิดดูว่าเดินทางกลับมาป่าง่ายจะยายุยืนสักกี่ปีเชียเดียวก็ตายดีไม่ดีออกจากป่าก็ตายแล้วเนี่ยนะ จะต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัวไปเนี่ยนะก็ต้องถือไม้เท้าไปไหนก็ถือไม้เท้าอยู่แล้วใช่ไหมมาขอเอาไปเป็นทาสจะได้รับใช้กี่ปีก็ดีเหมือนกันส่งลูกไปเลี้ยงคนแก่สักพักนึงอะนะหรือจะได้รู้จักว่าเออความแข็งเป็นยังไงอะนะพรามผู้นี้ยังไงก็ไม่อาจจะใช้ลูกทั้งสองของเราเป็นทาสได้เมื่อคูยังไงพวกนี้โตขึ้นโต ว, วันโตคืนเนาะประเวศชูโชค ก, ก็แกวันแกคืนเนี่ยเดี๋ยวก็าตายเนี่ยนะจะไปไหนเนี่ยนะ ขอถวายพระพรบุรุษพึงอาจใช้กําลังตามปกติคว้าเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่มีฤทธ์มากมีอนุภาพอย่างนี้มาใส่เอาไว้ในหีบในมือหรือมาใส่เอาไว้ในตลับในพระอบทําดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ให้หมดรมัศมีเพื่อจะใช้เป็นจานเป็นชามได้หรือแม้อยากกินข้าวโดยใช้ดวงอาทิตย์เนี่ยมาเป็นจานเป็นชามเนี่ยนะมีใครค้นปกติทําได้ไหมบอกไม่ได้หรอกพระคุณเจ้า ขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปมายก็ฉันนั้นเหมือนการพระโอรสพระธิดาของพระราชาเวสสันดรผู้ทรงมีส่วนเปรียบเสมอด้วยพระจันทร์และพระอาทิตย์ใครๆ ใ, ในโลกไม่อาจที่จะใช้เพื่อเป็นทาสได้หรอกนคนมีบุญนะนะไม่มีใครเอาไปเป็นทาสกรรมกรอะไรหรอกเขาต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างเดียวก็การหาชาลีในะที่สุดก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะเขาก็เป็นผู้ว่าที่พระเจ้าแผ่นดินในอนาคตใครจะไปเป็นทาสใครได้ ขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงสดับเหตุผลที่ยิ่งกว่าไปแม้อีกข้อหนึ่งเถิดเพราะว่าเหตุใดพระโอรสธิดาของพระราชาเวสันดรใครๆไม่อาจใช้เพื่อเป็นทาสได้เปรียบเหมือนว่าแก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิอันสวยงามมีชาติสูงส่งมีค่าส่งมีค่าสูงส่งตกแต่งไว้ดี กว้างสีส่ฝ่ามือเนี่ยนะชักวงรอบได้เท่ากับกลงล้อกเกวียนใครๆก็ไม่อาจจะใช้ผ้าคีริ้วห่อเก็บเอาไว้ในหีบเพื่อเป็นหินรับมีดได้แก้วมณีชั้นดีชั้นพิเศษเนี่ยนะใครจะไปเก็บเอาใส่ ย, ย่ำเอาไว้เป็นหินรับมีดไม่ได้หรอกขอถวายพระพรพระโอรสธิดาของพระราชาเวสันดรผู้มีส่วนเปรียบได้กับแก้วมณีของพระเจ้าจากักรพรรดิใครใคไม่อาจใช้เพื่อเป็นท่าได้ฉะนั้นเหมือนกัน ขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงสดับเหตุผลที่ยิ่งไปแม้อีกข้อหนึ่งเกิดเพราะเหตุใดพร ะ, พระอรธิดาของพระราชาเวสันดรใครใครก็ไม่อาจจะใช้เป็นาธาตุได้ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าพญาช้างอุโบสถซึ่งขาวปลอดทั้งตัวมีอวัยวะเนี่ยนะจดถึงพื้นเจ็ดที่เจ็ดที่ก็คือหนึง 2, ่งงวงสองงวงเท้าทั้งสแล้วก็หางแล้วก็ได้เท่าไหร่ละ กแล้วก็าวยายวะเพศอีกอันหนึ่งก็7เนี่ยนะที่ถึงดินเนี่ยนะสูง8ดศอกเรียกว่าความยาวรอบตัว9ศอกหน้าเลื่อมใสางามหน้าชมกำลังตกมันเนี่ยนะอยู่ถึงสางใครใครไม่อาจจะใช้กระดง้งหรือเอาชามเนี่ยปิดได้หรือไม่อาจจะขังไว้ในโรงฝึกลูกโคเพื่อฝึกเป็นเหมือนฝึกลูกโคได้ฉันใดขอถวายพระพรพระโอรสธิดาของพระราชาเวสันดร ผู้มีส่วนเปรียบได้กับพญาช้างอุโบสถใครใครในโลกไม่อาจจะใช้เพื่อเป็นทาตได้ฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงสดับเหตุผลที่ยิ่งขึ้นไปแม้อีกข้อหนึ่งเถิดเพราะเหตุใดพระโอรสธิ่ดาของมาพระมพระราชาเวสันดรใครๆจึงไม่อาจใช้เป็นทาตได้ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่ามาหาสมุทิที่กว้างใหญ่ไพศาลลึกไม่อาจประมาณได้ข้ามระยาก อย่างถึงได้ยากหาสิ่งมาปิดกั้นไม่ได้ใครๆก็ไม่อาจจะทำการปิดหมดทุกท่าเหลือใช้สอยไว้เพียงท่าเดียวแม้แคร่ห่วงทะเลมากนะปิดให้หมดเลยเอาไว้ใช้เฉพาะท่าหน้าบ้านเราพอไงนะไม่มีใครก็ทำได้หรอกฉันใดโอรสธิดาของพระราชาเวสันดรผู้มีส่วนเปรียบได้กับมหาสมุทรในโลกใครๆไม่อาจจะใช้เพื่อเป็นท่าได้ฉนนั้นเหมือนกัน หรืออีกในหนึ่งเปรียบเหมือนพญาภูเขาหิมวันซึ่งสูงขึ้นไปท้องฟ้าห้าร้อยยอดกว้างสามพะกว้างสามพันยอดประดับด้วยยอดสี 4, 48, ด่0 0สี่มืนแปดพันยอดเป็นแดนเกิดแห่งแม่น้ำใหญ่หญ้าร้อยสายเป็นที่อาศัยของหมู่สัตว์มากมายทรงไว้ซึ่งไม้หอมต่างๆมีทิพระโอสดหลากหลายมองสูงเด่นตระหง่านขึ้นไปในท้องฟ้ามีพระลาหกเมฆเหมือนเหมือนเมฆฉะนั้นครๆจะไป เอาอะไรไปปิดได้ไหมเนี่นนยนะชั้นใดอ่ะนะโอรส ธ, ธิดาของพระพราชาเวสันดรก็เป็นผู้ที่สูงส่งเหมือนกับผู้เขาหิมมวันชั้นนั้นเนี่ยเป็นคนที่เด่นะ่ะคือผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ใครจะเอาไปเป็นทาาได้ใช่ไหมใครจะยอมให้สองคนเนี่ยถูกใช้งานแั้นนะไม่ยอมอยู่แล้วอะ่ะหรืออีกในหนึ่งเปรียบเหมือนกองไฟใหญ่ที่ลุกโพลงอยู่บนยอดเขาในเวลากลางคืนมืดมิด ย่อมปรากฏเห็นได้แม้ในที่ไกลแสนไกลเหมือนกับไฟไม่ชนิดชนิดแบบแหม้ไม่ไม่สูงบนเขายอดสูงเนี่ยนะใครจะอะไรไปปิดได้ไหมไม่ไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นน่นะไม่มีใครทำได้ฉันใดออร์ธิดาของพระราชาเวสันดรก็เหมือนกับกองไฟที่ลุกพลงยิ่งใหญ่อย่างนั้นเพราะตอนที่ถูกขับออกไปอยู่ป่านีชื่อเสียงท่านดังทั่วชมพูทวีป ใครก็ได้รู้จักชื่อของพระเวสสันดรใครก็รู้จักชื่อทั้งบทพริยามเหสีก็รู้จักชื่อโด่งดังมันทั่วโลกในยุคนั้นนะนะเพราะฉะนั้นใครจะเอาสองคนนี้ไปเป็นทาตได้นะ่นะ หรืออีกในหนึ่งสมัยที่ภูเขาหิน ม, มวันเนี่ยนะมีดอกกากระเทงมีลมอ่อนพัดอยู่กลิ่นกลิ่นของดอกากากระเทงหอมฟุ้งตลดไปสิบถึงยี่สิบยอดฉันใดชื่อเสียงกิติศัพท์ของพระราชาเวสสันดรก็ฟุ้งขจรไปในที่หลายพันโยอดว่าไงเถิดในในยุคนั้นเนี่ยทั้งแผ่นดินเนี่ยใครก็รู้จักชื่อพระเวสสันดรทั้งนั้นได้ชื่อเสียงเนี่ยถึงไหนถึงอกคนิตภ พ, พเนี่ยนะก็แปลว่าถึงสวรรค์ชั้นสุดทาวาสที่สูงสุดนะนะจะกล่าวว่าตั้งแต่พรม พรมปฐมชาญเนี่ยนะพรหมาปริสัชชาปุโรหิตามหาพรมมาหรือว่าปริสตาภาอปมานาภาอภัสราเนี่ยนะสุภกินหาปริสตสุภาอัปมานาสุภาแล้วก็สุภกินหาเวหัพลาตลอดจนถึงอวิหาอัตป า, าสุทสาสุทศีอักกนิธาในระดับขึ้นว่าสุทธาวาสพรหมโลกใครๆก็ได้ยินชื่อของพระเวสสันดรทั้งนั้นแหละหรือแม้กระทั่งเทวดาอาสูรครุฑคนทันยากรากสด มโหระาคากินนอนตลอดจนถึงพระอินเนี่ยนะทั้งกลิ่นศีลอันประเสริฐของพระเวสสันดรก็ฟุ้งตลบไปฉันดฉะนั้นเหมือนกันแล้วใครจะเอาลูกของพระเวสสันดรผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไปเป็นทาสได้แล้วชาลีกุมานอันพระราชาเวสสันดรผู้เป็นชนบิดาเนี่ยนะกำชับแล้วว่านี่เนะ่พ่อเจ้าจงกราบทูลพระอัยกาปูของเจ้าให้มอบทรัพย์เป็นเครื่องไขตัวเจ้าทั้งสองเถ สั่งไว้เลยนะต้องต้อ ง, ต, องต้องใครที่จะอ่าเรียกวา่าปลดให้เป็นไทยเนี่ยจะต้องต้องเสียเสียทรัพย์แบบนั้นเถอะแปลว่ามอบทองคําพันตเลึงไทยตัวเจ้าตัวเจ้านี่มีราคาเท่ากับทองพันตำลึงที่น้องสาวเนี่ยค่าตัวแพงมากเลยนะที่แพงก็เพราะเหตุผลว่าเดียวบางคนจะถ้าเป็นคนวรนละต่ําๆเนี่ยนะซึ่งรวยไม่พ อ, อรวยระดับนึงก็ไถ่ตัวเอาไปเป็นมเหสีเดี๋ยวก็ปนในเรื่องชาติชั้นวันณนะเพราะฉะนั้นจะต้อง ตีค่าตัวให้สูงเพราะคนที่จะมีจ่ายระดับนี้ต้องเป็นพระราชาอย่างเดียวก็เลยบอกว่าน้องของเจ้าเนี่ยนะจะต้องอย่างละร้อยทุกอย่างเช่นธาตุหญิงร้อยหนึ่งธาตชายร้อยหนึ่งช้างร้อยม้าร้อยโคตัวผู้ร้อยโคนมร้อยทองคาอีกร้อยแท่งแล้วไถ่ตัวจึงจะได้เพราะคนที่จะมีอย่างนี้ไถ่ตัวได้คนนั้นต้องเป็นพระราชาไม่ต้องให้ไปปนกับคนวันหน้า่ึดเนี่ยนะก็เลยตีค่าตัวน้องสาวไว้สูงส่งมาก น่พอถ้าหาว่าปู่ของเจ้าจะใช้อำนาจกำลังยึดเอาเปล่าๆจากมือของพรามไซเจ้าจงอย่าทำตามพระดำรัสปู่ของเจ้าจงติดตามพรามนี้ไปเถอะแต่เนะพราะเจ้าเป็นทาสของพรามนี้แล้วนะมันถ้าปู่ของเจ้าจะใช้กำลังอำนาจเนี่ยเจ้าอย่ายอมไว่าไม่ต้องยอมแก่ปู่ซึ่งตอนหลังพอเห็นปู่ก็ยืนคุยธรรมดาปกติเห็นปั๊บจะต้องไปนั่งบนตัก ก็วิ่งไปนั่งบนตักปู่ย่าเนี่ยนะแต่ไม่วันนั้นจะยืนอยู่ข้างๆเข้าข้างชูชคตลอดถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นทาสของชูโชกแล้วนะก็คุยแบบเรียกว่าไม่ได้เป็นอิสระเฉพาะตัวนะถ้าปู่อยากได้หลานคืนปู่ก็ถ่ายเอาแล้วกันตรีราคาไปซึ่งปู่คือพระเจ้ากรุงสันชัยก็ถามชาลีกุมารก็ตอบว่าสเสด็จปู่พระบิดาทรงตีราคาหม่อมชั้นแก่พรามเอาไว้เป็นทองพันตำลึง ตีราคาน้องสาวเอาไว้เนี่ยนะมีช้างเป็นต้นอย่างละรอ้อยว่าช้างที่ไหนไปให้ทานร้อยเชือกเนี่ยนะไปไถ่ฆ่าตัวไม่ใช่ธรรมดาสรุปว่าเหตุผลดังกล่าวที่ อ, อธิบายหนึ่งนะที่จริงก็ถูกเน็บไปหลายประเด็นแต่ว่าพระนากเกษก็แก้ได้หมดเลยนะอาจเช่นเช่นอะไรตั้นแต่ต้นมาเลยนะคือพระเวสสันดรเนี่ยเป็นคนที่มี คุณธรรมมากเนี่ยนะเป็นคนที่มีคุณธรรมมากคือจะเหน็บมาอย่างไรจริงๆแล้วเพร่ะเวสันดรที่ทําไปก็ไม่ได้ทําแบบคนโง่เขลาหลงงมงายใคร่ครวญทบทวนอย่างเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันอ้าวให้ทานด้วยลูกเนี่ยเป็นทุกให้ทานและพ่อจะได้บุญหรือก็ยกตัวอย่างว่าถึงให้ทานถึงจะมีผู้เป็นทุกบ้างก็ยังได้บุญอยู่เช่นกับเอาเกวียนอะไรเอาโคไปลากเกวียนเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ ทานอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทานอย่างยิ่งเป็นทานที่ไม่ใช่ทานระดับปกติเป็นทานการให้ที่คู่ควรที่จะได้เป็นพระพุทแต่เจ้าเป็นทานชั้นพิเศษเนี่ยนะเป็นทานชั้นพิเศษเป็นทานที่สูงส่งอย่างยิ่งขณะเดียวกันทานของพระเวสสันดรเนี่ยนะอ่เป็นทานที่เรียกว่าสละได้ทุกอย่างเนี่ยนะสละได้ทุกอย่างเพื่อ สัพพัญยุตยานเป็นบุคคลที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สัพพัญยุตยานไม่เห็นแก่ทรัพย์ไอวัยวะอะไรใดๆทั้งนั้นน่ยขอให้เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วก็พระเวสสันดร น, นั้นก็เป็นผู้ที่ให้ของที่สมควรแก่ผู้มาขอผู้ใดมาขอเช่นใดพระองค์ก็ให้เช่นนั้นถ้าหากว่ามีคนขออย่างอื่นพระองค์ก็ให้ได้หมดที่พระองค์ให้ก็ให้เพื่อ สัพพัญยุตยานเนี่ยนะให้ทุกอย่างเพื่อสรพพัญยุตยานพระเวสสันดร น, นั้นก็ถือว่าเป็นสมบัติของสาธารณะเพราะทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเช่นดวงอาทิตย์เนี่ยนะสองสว่างเป็นสาธารณะแก่คนมีตาแผ่นดินก็ถือว่าเป็นสาธารณะแก่คนที่อยู่อาศัยแม่นม้ําทั้งหลายก็เป็นของสาธารณะพระองค์ก็เป็นสาธารณะฉันนั้นเนี่ยนะเพราะว่าทําทุกขณะเดียวกันพระองค์ก็เสียสละทุกประการเพื่อให้ได้มาซึ่ง สัพพัญยุตยานทีนี้การบริจาคของพระเวสสันดรบริจาคบุตรภรยาเป็นต้นไปก็ไม่ได้รังเกียจเนี่ยนะไม่ได้รังเกียจหรือว่าเบื่ออยาไม่อยากเห็นหน้าอีกต่อไปแล้วหรือว่าไม่มีไร้ความสามารถที่จะเลี้ยงดูหรือว่าเป็นคนที่เราเกลียดชังเป็นต้นก็ไม่ใช่ก็แก้วตาดวงใจนั่นแหละแต่ก็ สละไปเพื่อสัพพัญยุตยานเนี่ยนะจริงๆความเป็นพ่อท่านก็ยังมีท่านก็เสียใจเหมือนกันแหละตอนที่ให้ไปแต่ก็ป่ารบวันนี้เป็นทางเพื่อจะให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันตอนท้ายก็รู้อยู่แล้วว่าประโยชน์ที่ลูกควรได้รับก็ลูกก็ได้กลับไปอยู่วังสักทีนึงขณะเดียวกันเมื่อลูกไปอยู่วังลูกก็จะชวนพ่อคือพระเจ้าปู่เนี่ยนะมารับตัวท่านทั้งสองเนี่ยกลับไปอยู่วังท่านก็เห็นแล้วว่าในที่สุดทุกคนก็ได้กลับไปอยู่วังทั้งหมดเนี่ยนะ จากการทำบุญให้ทางของพระเวสสันดรเนี่ยนะจึงเป็นปัจจัยให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่ทำบุญเหล่านั้นมาเนี่ยนะอรหังสัมมาสัมพุโทโธพักวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูเป็นต้นเนี่ยคงไม่มีให้เราสวดเป็นแน่ถ้าไม่มีพระปุปพัสจริยาคนเหล่านั้นก็จะไม่มีผู้ที่มีบุญเช่นนี้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นนี้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เช่นนี้แล้วพระธรรมที่โปรองตรัสรู้คืออะไร พระองค์ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ตรัสรู้พระธรรมนะเพื่อพระธรรมคืออย่างที่ว่าย่นย่อลงมาอย่างปัจจุบันก็คือพระไตรปิฎกเพระความรู้ในพระไตรปิฎกไม่ใช่ว่าพระองค์จะได้มาแบบง่ายๆพระองค์ก็ได้มาด้วยคำว่าปนเนื้อปนเลือดปนน้ําตาตายพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่ากว่าจะได้ความรู้มาเป็นพระไตรปิฎกคำ ว, ว่าผลงานวิจัยเพื่อให้ได้พระไตรปิฎกเนี่ยเสียสละทุ่มเทมหาศาลในถ้าว่าเราไม่เรียน พระธรรมของพระพุทธเจ้าในเราหน้าสงสารขนาดไหนพระพุทธเจ้าขนสมบัติอันนี้มาตลอดสี่อสงไขยแสนกลับถ้าหากว่าเราไม่ได้รับมรดกอะไรออกไปเนี่ยนะแม้ก็หน้าพระเวสสันดรนนหน่าสงสารหรือเราน่าสงสารท่านตั้งใจนะแม้บริจาคลูกบริจาคเมียหวังว่าจะช่วยให้คนอื่นได้พ้นทุกข์แม่คนอื่นเขาไม่สนใจเลยอย่างนี้นะใครเนาะน้าสงสารออยู๋เห็นใครหน้าสงสาร พระเวสสันดรน่าสงสารน้อให้ลูกไปให้เมียไปให้ทุกอย่างจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้สอนเขาเราไม่สนใจแกล้งไม่รับดืด้อๆงั้นน่ะไม่เอาระดับเราแล้วไม่ตองการสมบัติของใครทั้งนั้นแหละเนี่ยนะใครน่าสงสารที่สุดเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นก็อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยเนี่ยนะ สส ถ, ถ้าไม่ยังไงก็เรียนพระไตรปิฎกพระสงสารพระพุทธเจ้า ก, ก็สงสารเจะกว่าท่านจะได้มากว่าจะได้ตรัสรู้มาแล้วก็ขอเรียนพระสงสารท่านอันหนึ่งหรือไม่ก็สงสารตัวเองมั่งก็ได้เอาถ้าไม่แหมใจดําำนึกเกินเลยสงสารใครทั้งนั้นขอสงสารตัวเองก็ได้ถ้าพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่สงสารเราเองก็ไม่สงสารตัวเองทางไผ่กับทางไผ่ราคาเนี่ยนะมันก็ใครมีอะไรจะกล่าวบ้างไหม